นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะ .com กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วธรรมาพระไพบูรณ์อภิปุนโนมาพร้อมกับหมอรัตพงศ์ครับสวัสดีครับกับผมทันตแพทย์นะัทพงศ์กนวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นตอนที่สามสิบนะครับสาสิบแล้วไปอย่างรวดเร็วคือคในตอนที่สามสิบนี้คือแน่นอนอรายการ เปตามที่ถูกปิดผ้าออนไลน์เราก็จะเอาธรรมะที่เป็นลักษณะของพุทธวจนะมาอธิบายให้ฟังวันนี้จึงรู้สึกว่าจะมีประเด็นที่จะคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อนาบุญบทีนี้ว่าเนื้อนาบุญเราจะเอาไว้พูดตอนท้ายๆดีกว่าวันนี้สิ่งที่ต้องการจะเน้นย้ํากับผู้ติดตามฟังรายการอย่างน้อยก็ตอนนี้มาเป็นตอนที่สามสิบเน่ยท่านทั้งหลายจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอารักขายอย่างเดียว เป็นผู้เขาเรียกว่าถ้าเป็นออกสนามรบก็คือแนวรับอย่างเดียวแนวรับก็คือว่าเป็นผู้มีสติรักษาจิตเป็นผู้มีสติรักษาจิตนะประกอบด้วยการรักษาจิตด้วยสติต้องการพูดประเด็นนี้เท่านั้นเองวันนี้คือบางท่านจะบอกว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนกับประตูด่านสำคัญในการรักษาเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับกายรนครใช่รพระเจ้าก็ เปรียบสติเนี่ยเป็นนายทวารต้อ็เป็นนายทวารา ท, วาที่ฉลาดด้วยแล้วก็ ร, รู้จักให้เข้ากับคนคบที่รู้ ค, รคือคนที่รู้จักฝ่ายตัวเองนะ่ยให้เข้าฝ่ายไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่ให้เข้าทีนี้เรื่องมันมีหลายครั้งแล้วในเวลาที่ออกไปสงครามอย่างนี้ใช่ไหมสงครานออกไปร่าตะาเวทนทหารกลับมากลายเป็นไส้ศึกของฝ่ายอื่นปลอมมาอย่างเงี้ย อ๋อครับอ่าถ้าในประตูเมืองบื้อไม่รู้เรื่องเนี่ยนะโดนเข้ามาแม้ก็เผาตรงนั้นเผาตรงนี้เสร็จเลยอเพราะนั้นจึงต้องมีสติคอยรักษาจิตครับอ่าเรื่องสคนะรับอืมเรื่องตรงนี้ที่เราพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอารักขาอย่างเดียวเนี่ยมันมีหลายพระสูตรมากเลยหมอรัตบงที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเวลาคนด่าคนว่าคนทุบตีเราเอาไม้ทุบอย่างเงี้ย ก็ให้เป็นผู้ที่ไม่กล่าววาจาเป็นบาปมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีเมตตาอยู่ที่หลายๆท่านก็จะเป็นงงว่าตอนที่มาวิทยาลัยนารันธาใช่ไหมที่ถูกโหยมยีปลุกเผาถูกฆ่าอะไรต่างเนี่ยทำไมเราไม่ลุกฮือขึ้นมาตอบโต้บ้างเนี่ยหรือว่าถ้าในกรณีอย่างนั้นเราจะตอบโต้อย่างไง แล้วตอบโต้อยังไงครับท่านกุณทิยาให้อดทนอดทนอย่างเดียวเพราะว่าอยู่กับคนพาลต้องอดทนต้องมียิ่งมีสติป้องกันแล้วถ้าเราอดทนแล้วก็ชื่อว่าคนพาล น, นั้นถูกกีดกันแล้วอืมเรื่องนี้มไม่ไมแน่ใจว่าได้เคยพูดในรายการหรือเปล่าเรื่องที่ท้าเวเบปจิตสู้รบกับเ อ, อท้าวสกัตเทอราช ดูเหมือนดูเหมือนว่าจะเคยนะครับเข้าใจว่าที่ที่ว่าพอสู้รบกันแล้วปรากฏว่าท้าววิปจิตเนี่ยด่าท้าวสกะเทวราชอย่างสาดเสียเทเถื่อเอียแล้วก็ท้าวสกัดเทวราชก็ได้พูดว่าเอออดทนก็แล้วกันพระเจ้าก็เห็นด้วยเอหมายถึงว่ารับรองคําพูดนี้ครับเพราะเอามาตรัสเล่าให้ฟังเองว่าถ้าอดทนแล้วคนพ่านนั้นชื่อว่ากีดกันแล้ว ทีนี้ประเด็นมันตรงนี้ว่าเออทำไมอะ่ะทําไมเราถึงไม่สามารถตอบโต้เขาได้ดีสักหน่อยหนึ่งไม่ได้เหรอนี้มันชั่วจริงๆนะขอทุบมันสักทีหนึ่งวะสวนสัหน่อ ย, นะอยได้ไหมครับ อ, อ, อย่างน้อยพูดให้มันทิมแทงมันสักหน่อยหนึ่งมันจะได้มันมจะไตัวขึ้นมาบ้างใช่เข ไ, ได้รู้สึกว่ากระทำกันเองแล้วคนอื่นรู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยอืมอืมหมอฤาษีมีความเห็นว่าย่งไรหรือท่านผู้ฟังมีความเห็ น, ห น, ห ว, ห น, หนว่าอย่างไรว่าคนไม่ดีไม่ดีเราต้องตอบโต้สัหน่อยหนึ่งนะอืมเหมือนทางโลกเนี่ยมัอนแตว่า ให้ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากระทําต่อผู้อื่นเนี่ยเวลามันทิน้มแทงกลับใส่เค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกบ้างอย่างจะได้เป็นการตอบ ก, กลับเนี่ยนี่นี่คือทางโลกนะครับ sheet, คฮอ <centralized S 1> <calculate> ทางธรรมอย่างพระพุทธ เ, เจ้ากล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับก็เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเรารจะมีจิตเอ็นดูประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในครับแต่ไปยังบุคคลนั้นอยู่คือไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ตอบเลย ว่างนั้นเถ อ, อานิ่งอย่างเดียวเลยแหละครับนิ่งอดทนอยู่ในคือคนพาณใช่ไม้มคนพาณมันทำเราก่อนถ้าคนพาณเนี่ยเราต้องอาเสวานาเลยไม่ดา่าไม่ว่าไม่ยุ่งเออแล้วํามสารถามว่างั้นคนพาณมันจะรู้สึกตัวได้ไงครับคนพาณสอนไม่ได้หรอกมารัตตพงื ม, มคนที่พูดดีๆกันด้วยชีช้แจงด้วยเหตุผลสมมุติเขามาด่าเราใช่ไหม ทำให้เราเจ็บจำจำใจเราก็บอกว่าสิ่งนี้เราไม่ได้ทําสิ่งนี้เราไม่มีอธิบายไปตามเหตุผลเสร็จแล้วปรากฏมันไม่ฟังมันแกล้งเรามากขึ้นอีกครับใช่ไหมอา้าวคนนี้ยุ่งไม่ได้แล้วเป็นคนผ่านล้วแล้ว<ม>เราก็จึงไม่ควรจะยุ่งกับเขาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะจิตเรามีโทสะในภายในนะเอจิตเราเป็นลบเป็นอกุศลเป็นอกุศลเพราะจิตเป็นลบเป็นอกุศลแล้วนั่นอันตรายจะมีแก่เธอเพราะเหตุเหตุนั้นพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับ เพราะรถ้าในขณะนั้นเรามีจิตอันเป็นอกุศลนะเราตกไปในกับดักของกิเลสทันทีครับอคนผ่านนี่ชอบเลยอ่าเธอโกรธแล้วนั่นมั น, นมก็จะ<ว>รู้ อ, อ่ามันก็จะรู้ว่าวิธีนี้ใช้งานได้ผลครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะสบายใจเขาละ่ะอเพราะนั้นเรารจะไม่กลับว่าใจเป็นบาปก็คือถึงแม้ว่าเราจะโกรธเขานะหรือรว่าโต้อตอบเขานะ มันก็จะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นใช่ครับมันจะแย่ลงด้วย เ, เพราะเขาก็จะเขาก็จะสบายใจว่าเออเขาทำเราได้เขาทำให้เราโกรธไดค้คือคนพาลเนี่ยถ้าเราไม่โต้อตอบกับมันบ่อยๆเนี่ยนะมันก็เลิกไปเองอแต่จะมีคนพาลบางพวกที่ยังจะตื้ออยู่จะขออยู่จะเอาอยู่จะทาอยู่จะปุยปุยยามเราอยู่อันนี้คิดว่าให้คิดว่าเป็นกรรมก็แล้วกัน ให้รับไปให้รับไปรบหรือว่าถ้าหลีกออกได้เนี่ยก็หลีกออกนั่นคือเราไม่ต้องการสร้างกุศลสร้างอกุศลอยู่แล้วใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นผู้ประพฤติประมจาจันเป็นคนปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้าใครมาด่ามาว่าผู้ปฏิบัตินะนั้นจะเป็นความเสื่อมเสียกับเขาเราก็ค่อยๆเงียบๆหลีกออกอย่างเงี้เพื่อไม่ให้บาปกรรมเกิดขึ้นมากกับคนอื่นอย่างนี้นะครับ เมืนเราพยายามหนีหนีคนพวกนี้ไปใช่ไหมครับใช่หนีคนพวกนี้ไปครับจย่งนี้ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเป็นคนที่อย่างเช่นอทํางานที่เดียวกันหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็จําเป็นจะต้องเจอคือหลีกหนีได้ยากเนี่ยครับพระพุทธเจ้ามีคําแนะนําอะไรไหมครับก็ให้อดทนอดทนอย่างเดียวเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ดีมากนะมาดุสิตธรรมวันนี้จึงจึงจะต้องอธิบายคําว่าอดทนซะหน่อยหนึ่ง ว่าจริงๆในเรื่องของการอดทนเนี่ยพระรูช า, าบอกอย่างนี้ว่าอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดนะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนี้คือทางกายอ่าถูกต้องแล้วก็อดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาศนะอดทนต่อเรื่องราวต่างๆที่เป็นทุกทางกายนะคนมาด่าด้วยนะทั้งหมดเลยอดทนทีนี้คําว่าอดทนเนี่ย ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดนะคือในจิตของเราเนี่ยเหมือนอย่างภูเขาหินอย่างเงี้ยเวลามันโดนฝนโดนลมถามว่ามันเปียกไหมเปียกแต่ไม่สะเทือนอคน อ, อดทนเนี่ยถามว่าได้ยินเขาดา่าเราไ้ยได้ยินแน่นอนเลยแล้วมันอาจจ ะ, ะมีลักษณะพึ่มๆมไหมมันต้องมีแน่มีครับก็เพื่ออยู่ในใจครับใช่แต่ว่าเป็นลักษณะของปฏิฆะ ยังไม่เป็นโกทะยังไม่เป็นโกโรธ<อ>นนะโกโรธเนี่ยคือมันเดือดละเริ่มเดือดละกัดฟันละพอโกโรธใช่ไหมโกโรธเนี่ยเรายังไม่คิดทำร้ายคนอื่น ค, คือมันเป็นคนละขั้นกันปฏิฆานี่คือความขุ่นมัวขุนรุนโกโรธนี่เริ่มเดือดละแล้วถัดไปเนี่ยจะเป็น เ, เขาเรียกว่ า, าะอะไรเออโทสะโทสะกับโกทะขอไป ไม่รู้โกทะก่อนหรือโทสะ ก, ก่อนออรู้สึกจะเป็นโกทะก่อนแล้วจึงค่อยเป็นโทสะโทสะกิเลสโทสะนี่คือเริ่มคิดปทุสล า, ายแล้วโกทะนี่คือกโกรธนี่มันเริ่มฮึ่มฮึมอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพอโกรธแล้วมันเริ่มเดือดอปฏิฆะแล้วจึงเป็นโก ท, โทะโกทะจึงเป็นะโทสะน่ะโทสะนี่เราจะเริ่มคิดด่าเขาปทุสล า, ายเขาทําร้ายเขาด้วยวาจาหรือด้วยใจใช่ไหม ทีนี้เราเวลาคนอดทนเนี่ยจะอดทนอยู่ในระดับโทสะ เ, เดือดไหมเดือดคุณเครือคุณมัวไหมมัวแน่นอนแต่ไม่คิดประทุสลายใคร เ, เพราะนั้นมันจะอดทนได้อยู่ในระดับนี้รจริงๆแล้วความอดทนเนี่ยมันอดทนมาตั้งแต่ระดับแรกเลยมีความไม่ชอบสมมุติว่าเราไม่ชอบของเหม็นๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคนพูดออกมาพูดหนึ่งครับมันจะมีเขาเรียกว่าอารติพุทธชาใช้คําว่าอารติ แปล ว, ว่าความไม่พอใจใช่ไหมทีนี้ไม่พอใจแล้วมันเหม็นมากจริงๆนะหมอทุกคนพอมันเหม็นมากมันเริ่มเครืองมันเริ่มเดือด น, นี่มันในรถเมย น, นะหรือในรถไฟนะมันเป็นแอร์นะยั ง, งปุ๋งออกมาอย่างนี้นะแคบแคบเนี่ยนะ ค, ค, ครับออในรถยนต์เนี่ยครับแล้วปรากฏ ว, ว่ามันจากความออรติใช่ไหมความไม่พอใจมาเริ่มเป็นความขัดเคือ ง, องมันขัดเคืองแล้วมันเริ่มเป็นโกทะ เดือดละเริ่มเดือดเนีนะ่ยสระดับนี้เนี่ยยังเรียกว่าปากยังไม่ขยับนะแต่แค่ในใจฮึมฮึมนะเมื่อไรที่ออกมาเป็นโทสะมันจะเริ่มปากขยับละใครทําอย่างนี้เธอรู้มารยาทไหมอะไรต่างๆนะออกมาทีนี้3ระดับแรกเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยคุณต้องมีความอดทนสมมุติจากปฏิฆะไม่ให้เป็นโกทะอย่างเงี้ยจากความขุนมัวไม่ให้เป็นความเดือดอย่างงี้ต้องอดทน จากความเดือดไม่ให้เป็น่โทสะอย่างเนี้จากโกตะไม่ให้เป็นโทสะคุณต้องมีความอดทนอดทนเป็นลําดับลําดับขึ้นมาอดทนตรงเนี้มันต้องใช้ความอดทนนะนะอดทนเขาเรียกว่าขันติขันติมีขันติคืออดทนจะแล้วถามว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะอดทนได้ไงนี่ไงต้องมีอารัขา ก็คือมีสติรักษาจิตประกอบการรักษาจิตด้วยสติทีนี้ถามว่าเอาสติระดับไหนโอโ้โหสติเนี่ยมันมีระดับหยาบละเอียดใช่ไหมบาง<ช>คนคไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองขุนมัวมารู้ตัวไอกทีตอนที่ด่าเขาแล้วจบแล้วจบแล้วระเบิดละด่านี่ยังน้อยนะบางทววีวากออกมาเลยอย่างนี้นะยขึ้นมาอย่างนี้นะนี่คือระดับท้ายละก่อนหน้านั้นจะมีความด่าในใจด่าในใจ นะพูดในใจเรียบเรียงคำพูดว่าจะด่าอยงไให้มันเจ็บๆก่อนหน้านั้นยังจะมีความเดือดในใจนะบางคนือคือจิตตรงนี้มันจะค่อยๆฟูขึ้นมานี่ม ห, หมอรพครับคือด้วยความที่จิตมันละเอียดมีธรรมชาติหยาบละเอียดของมันใช่มครัทีนี้ถ้าเรามีสติที่ละเอียดเราก็จะรู้จิตที่ละเอียดละเอียดตรงนั้นน ะ, mm hmm. ะถ้าเรามีสติที่หยาบยบเราก็จะมารู้จิตที่หยาบหยบออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกดีเนี่ยสติเราละเอียดละเอียดเนี่ยเราจะรู้ได้ตั้งแต่ตอนที่มีอาการขุ่นมัวละแรกรแรกเลยแรกแรกเลยเราจะรู้ได้ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่ตอนมีผัสสะละ อ, าอา่าเราจะรู้ได้ก่อนหน้านั้นอีกนะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสัมผัสถึงเนี่ยไม่ให้มีเวทนาพอมีเวทนามันจะมีความชอบใจไม่ชอบใจใช่ครับรอารติเนี่ยจะเกิดตอนนั้นหลังจากมีเวทนาอ่าพอมีเวทนาความพอใจไม่พอใจ นี่มันกลิ่นเหม็นนี่เราไม่พอใจถ้าคุณคทันนะตรงนั้นละไปเลยนั่นละว่าความสิ่งปฏิกูลก็ทําให้ไม่ปฏิกูลได้สิ่งไม่ปฏิกูลก็ทําให้ปฏิกูลได้ยุเบิขาได้จ บ, บได้ไหมทีนี้ถามว่าคุณทันจิตตัวเองไหมละ่ะในการที่จะอดทนตั้งแต่ระดับไหนระดับไหนระดับไหนเพราะฉะนั้นคนจะอดคอนจะดทนได้ต้องมีสติสตินี้ก็อยาบละเอียดก็ไม่เท่ากันอมันก็หลายระดับนะบทีนี้ สติคุณจะฝึกได้ยังไงอะไรเป็นที่เล่นไปสู่สติปรุชาก็บอกว่าอินรียอินรีย์เป็นที่เล่นไปสู่สติอินรีย์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดครับอินซีอันนี้เราจะหมายถึงอินรีย้าอย่างไงด้วยไหมครับหรือว่าเป็นอินรีก็คือทวารที่ทวารทั้ง6ใช่ไหมครับก็ <ตา S 1> <C> อินซีหกด้วยอินรีห้าด้วยอินซีห6ด้วยอินซีห้าด้วยหมายความว่างไง คืออินรีเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นใหญ่ใช่ไหมที่ที่เขาบางคนอาจจะคิดว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเอาสัญลักษณ์นกอินทรีมาเป็นประเทศมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นใหญ่ใช่ไหมหรือว่ามีอะไรอินทรีกันนกอินรีปลาอินทรีอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอินทรีเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่เขาจึงเอาไปตั้งชื่อนกเพราะนกอินรีเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนก์อะปลาอินซีเนี่ยก็กินปลาตัวอื่นก็เป็นเจ้าพ่อปลาอย่างเงี้ยนะ แต่จริงๆแล้วอินจีเนี่ยปลว่าความเป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆอย่างความเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปคือหน้าที่ของตาว่าสมมุตเิเราอาจจะใช้มือในการสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าหยาบละเอียดแต่ตายังไงก็ตามก็เป็นใหญ่ในเรื่องของการเห็นรูปบางทีเราอาจจะใช้ตาสังเกตุดูได้ว่ารสอาหารเป็นยังไงเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลิ้นเนี่ยก็ต้องเป็นใหญ่ในเรื่องการรับรสไม่มีอย่างอื่นเป็นใหญ่เกินลิ้นได้ บางทีเราอาจจะใช้ผิวกายของเราเนี่ยมารับรู้ว่าเสียงดังมากเสียงดังน้อยแต่ถ้าคนหูหนวกเขาก็จะรู้แค่นี้นะแต่ถ้าจะเป็นใหญ่ในเรื่องการได้ยินเสียงว่าเป็นภาษาเสียงเป็นยังไงเสียงแหลมเสียงทุม้มต้องหูเท่านั้นกายใช้ไม่ได้กายใช้ได้นิดเดียวไม่ใหญ่เท่าหูอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นเรื่องอินทรีย์ก็ตรงนี้ที่นี้ใจละ่ะการรับรู้ธรรมารมก็ด้วยเหมือนกัน บางทีเราแค่ดูสังเกตผิวหนังเนี่ยขนลูกสู้หรือขนตกสนิทก็จะรู้ว่าธรรมารมเราชอบไม่ชอบแค่นี้เองแต่คนที่จะรู้ธรรมารมได้ต้องใจเท่านั้นทีในี้ใจเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างคือการที่จะเข้าสู่วิมุตตนะก็ต้องมีอินรีตรงนี้อินรีที่จะเข้าไปสู่วิมุตตอินรีตรงนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบ5อย่างเรียกว่าอินรีห้านะองค์ประกอ บ, บที่จะทำให้เราเข้าสู่วิมุตตได้ เ, เร็วหรือช้าอย่างนี้นะ เครื่องวัดใช่เพราะฉะนั้นเครื่องวัดตรงนี้อินทรีย์5พระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาซึ่งห้าอย่างนี้ต้องรวมกันในการที่จะเป็นตัววัดว่าอันนี้จะเป็นความเป็นใหญ่ในการที่ทําให้เราเข้าสู่วิมุตติได้เพราะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกแล้วอินทรีเนี่ยก็ต้องอินทรีย์ทั้ง6แล้วก็อินทรีย์5ด้วยทั้งหมด7อย่างเลยถึงจะทําให้จิตมีสติได้ก็ละเอียดลเอียดลงไป ถ้าในระดับตาหูก็ต้องอินทรีย์คือคือตาคือหูถ้าระดับจิตที่จะเข้าสู่วิมุตติคุณต้องพูดถึงสตาวิอัสติสมาธิปัญญาพวกนี้จะทำให้สติเกิดขึ้นได้ทั้งหมดล่นไปสู่สติได้หมดพวกนี้จึงต้องมีสติรักษาจิตจริงๆเลยทีนี้ตัวสติรักษาจิตเนี่ยโดยโดยรายละเอียดก็คือเราก็ต้องฝึกตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่ไหมครับคนวิธีการฝึกก็คือ อนาปานสติสติปัฏฐาน4อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใก็เป็นธรรมสติฐานที่ตั้งให้เกิดสติครับก็มีอยู่ตอนหนึ่งในเพียวธรรมะเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยได้พูดถึงพูดถึงจูร่องเอาไว้นัครบแห่งเสียงสารที่ เ, เปรียบเทียบกับสติครรบเพราะถ้าท่านฟังอะไรสนใจก็ไปฟังตอนนั้นได้ ที่ส่งมีครั้งหนึ่งของเบ้งส่งจูโลงไปแค่ปิดประตูเมืองนะส่งยอดนักรบออกไปไม่ให้รบแต่ไปให้เฝ้าประตูเพราะว่าศึกครั้งนั้นเป็นการศึกสําคัญก็เหมือนกันเราต้องฉลาดอย่างนั้นเลยแหละครับก็จึงต้องมีสติรักษาจิตสตินี้บางท่านก็จะเข้าใจเป็นหลายๆอย่างหลายๆสิ่งว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องให้เข้าใจว่า มีอีกนัยยะหนึ่งที่พระเาพูดถึงการที่เหมือนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นการพิจารณาตรวจตรานกันเป็นสติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันหมายหมายควาว่าเราเห็นตัวเราเองหรือว่าเห็นคนอื่นนะครับที่บอกว่าคนยืนเห็นคนนั่งก็คือเราเห็นคนนั่งใช่หมครับก็สตินี้ก็เป็นลักษณะว่า เราดิสซโซเชียออกมาจากสิ่งนั้นนะอย่างถ้าใครเคยไปดูหนังใช่คุณอยู่ในโรงหนังเนี่ยคุณดูหนังโอ้โหสนุกเฮฮามากเลยเหมือนกับเราอยู่ในในเรื่องนั้นจริงๆใช่ไหมครับนั่นคือลักษณะของของเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์ลักษณะของการที่เราไปเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่มครับทีนี้การเห็นคนอีกคนหนึ่งทำยังไงสติหมายความว่าไรคุณเป็นคนฉายหนัง สมมติเราเป็นคนฉายหนังเราจะเห็นผู้ดูหนังกับตัวจอหนังใช่อยู่ข้างบนข้างด้านหลังด้านหลังของโรงหนังอะนะเราจะเห็นผู้ดูหนังอันหนึ่งกับจอหนังอันหนึ่งเ้ากำลังดูกันสนุกสนานเลยนี่นี่ น, นี่ตรงนี้คือคนที่มีสติคนที่ไม่เพลินจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะดึงออกมาดึงตัวเองออกมาจึงทำให้เรารู้ว่าโอคนที่ไปรู้ลมหายใจนะกับลมหายใจป็นคนละอันกัน ต้องมีอย่างนี้คือการแยกตัวออกมาจริงๆเราจะไม่รู้นะเราคิดว่าไอ้ลมหายใจกับผู้ไปรู้ลมหายใจมันอันเดียวกันตัวเราก็คือตาตัวเราก็คือหูอันนี้ก็ของฉันนั่นก็ของฉันลมหายใจของฉันอย่างนี้นะเพราะเรามันมันไม่เห็นว่ามันแยกกันอยู่แต่มันติดกันจริงๆแล้วมันแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการแยกออกมาตรงเนี้พระเจ้าใช้คาพูดหนึ่งว่าปัจจเวขณะนิมิตหรือนิมิตเพื่อการพิจารณาตรวจตรา ก็คือการที่มีสติอยู่ในสมาธินั่นแหละเดี๋ยวอีกทีนะครับปัจจเวคันปัจจเวขณะนิมิตเป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะครับประการที่ห้าพูดหมายเป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่ห้าปัจจเวขณะนิมิตนะนะซึ่งตัวนี้เรามามองว่ามันก็เป็นสติอย่างหนึ่งในการที่ดึงแยกออกมาดึงแยกออกมาอเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนอย่างเงี้ย ก็จะเห็นรา ย, ายละเอียดได้มากกว่าเหมือนเห็น ค, คนยืนเห็นคนนั่งอย่างเงี้ยเห็นคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งอย่างงี้เพราะนั้นเวลาที่เร า, เราสังเกตลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะร เ, ออเราก็ไล่เข้าไปใครมาเป็นผูร้รู้ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปคนที่จะทำอย่างนั้นได้คุณต้องมีสตินะใช่ครับคุณต้องมีสติไม่เพลินไปในอารมณ์นั้นนั้น ไม่เพลินไปในลมหายใจไม่เพลินในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะที่มีคําว่าไม่ไม่ตั้งสยบอยู่ภายในใช่ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในครับอืมแล้วก็ไม่อะไรอีกอันนึงก็ไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งไปในภายนอกไปเภายนอกกลับแบบฟังพระสูตรนี้ทีไรแล้วก็เห็นภาพทุกครั้งเลยครับอืานชอบชอบมากตรงนี้แง่มุมที่เพิ่มเติมให้ในวันนี้ก็คือว่าการที่เรา ดิสสอเชียตออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นอันนี้ประการที่หนึ่งรประการหนึ่งก็คือการที่สิ่งที่ล่นไปสู่สติก็มีตั้งแต่ยาบละเอียดทุกระดับอินซีห้ก็ได้อินซีก็ได้แล้วก็เราต้องมีสติรักษาจิตในการที่จะอดทนต่อสิ่งนั้นๆได้ไม่ให้หลายไปตามสิ่งที่มาด่าเรามาว่าเรา เพราะฉะนัคนที่จะอดทนได้ในหมอรัตพงก็ต้องมีสติอย่างดีมากครับเรียกว่ า, าเป็นต้องมีคันติบารมีคือคิดอย่างนี้ได้ไหมครับครัอาจารย์ถ้าเราเจอต้องเจออย่างเนี้ยสิ่งที่เราไม่ชอบใจบ่อยๆถือว่าเออเป็นการฝึกตัวเราด้วยที่จะเจริญคันติบารมีอันนี้จะเป็นการฝึกที่ทําให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายผู้ที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจ เอาใหม่หอย่างพออดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใจนะบุคคลที่สามารถอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาสมาธิสมญญสมุติพระเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้ว่าบุคคลที่จะมีอํานาจเหนือจิตใช่ไหมใช่ค่ะบุคคลที่มีอํานาจเหนือจิตมี6มี7อย่าง1ในอย่างนั้นเนี่ยเป็นการที่จะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ง่ า, าฉลาดในการเข้าสู่สมาธิอาทีนี้จะฉลาดในการเข้าสู่สมาธิยังไง ครูาเข้ามาพูดมาอีกตรงหนึ่งบอกว่านี่ไงคุณต้องเป็นผู้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกาย <Okay. S 1> ถ้าอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายน่าจะทําให้ง่ายต่อการเข้าสู่สมาธิ mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรามีอํานาจเหนือจิต mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปไปไหนไปสถานที่ที่เราไม่พอใจอ่ะ <Okay. S 1> อดทนไว้อดทนไว้แม่ทุทกๆุวินาทีที่อดทนได้นะจะเป็นเหตุที่ทําให้การเข้าสู่สมาธิของเราง่ายขึ้น เป็นผู้ฉลาดมากขึ้นจริงๆเป็นการสร้างบารมีไงใช่ไหมเขาด่าเราก็อดทนไม่ว่าเขาว่าเราก็นิ่งเฉยยิ้มไวนั่นแหือเป็นคนเพิ่มบารมีการตีบารมีใช่ไหมเพิ่มไปเพิ่มไปอ้าวเข้าสู่สมาธิง่ายขึนจิตเรายิ่งมีกำลังในทางโลกเราเรียกยอดคนนะฮะโดนด่าโดนด่าแต่ยิ้มร่ำได้เนี่ยโหยอดคนนะครับ อันนี้การอดทนต่อตามหูจบูกลิ้นกายเนี่ยมีคํานึงที่เขาเรียกว่าอินรียสังวรใช่ไหมครับอินทรียสังวรถูกต้องอินรีสังวรอินทรียสังวรก็คือว่ า, าไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นในลักษณะที่ไม่กำเนัดเพลิดเพลินยินดีหรือว่ า, าไม่เขาเรียกว่าไม่ขยายขยายเกลียดชังครับถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะโดยพยัญชนะคือลาเหรียดเล็กๆหรือโดยภาพรวมทั้งหมดก็ไม่ไปเป็นอย่างนั้น อย่างนี้เราไม่ไม่คือถ้าเรื่องพอใจเราก็ไม่พอใจเรื่องเรื่องที่ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเราวางอยู่ในอุเบกขาใช่ไหมครับอย่างนี้ถูกต้องวางอยู่ในจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแตกต่างตรงนี้ไงหมวรัตพงศ์ว่าอย่างคุณมารับรู้แล้วแล้วปล่อยวางจะไม่เหมือนกันกันกบว่ารู้เฉย อ๋ออ่าไม่ไม่เหมือนกันคือคนที่รับรู้แล้วปล่อยวางเนี่ยก็ยังจะเรียกว่าคุณรู้อยู่นะแต่รู้แบบรู้แบบไหลไปตามอะ่ะก็เรียกว่ารู้เหมือนกันนะอ๋ออ่าแต่รู้แบบไม่ไหลไปตามนี่สิถึงจะเรียกว่าสบายแน่จริงๆมีสติอยู่ก็คือจิตคุณต้องอยู่ในสมาธิครับ อย่างที่เรียกว่าเวลาเราไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ไปนั่นคือตามรู้ตามรู้นี่คก็คุณจิตคุณไปแล้วนะแต่ถ้าเรารู้เฉยๆโดยที่ไม่ไหลไปตามนะ้นเาเรียกว่ารู้เท่าทันคือมีสติอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่ตามรู้หล่ะเราไม่ตามรู้คุณจะไปตามรู้ทําไมตามรู้คือคุณออกไปแล้วนจิตถูกดึงไปแล้วแต่เรารู้เท่าทันนั้นนี่คืออาการของคนที่มีสติรู้เท่าทันจิต คนที่จะรู้เท่าทันจิตได้มารดวงจิตคุณต้องเป็นสมาธิเป็นหนึ่งเ ป, เ, ะะะเป็นเอกคตาครับเรารู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวใช่ไหมอะไรมากระทบ น, นั่นรู้เท่าทันแต่ถ้าอะไรมากระทบแล้วคุณไหลออกไปนั่นคุณไปตามรู้แล้วแม้นผิดไม่ได้ก็เป็นความเพลินล้นะครับเพลิอนเอาอไว้แล้วลืมลมหายใจแล้วแต่ถ้าเราอยู่ก็ลืมหายใจอะไรมากระเทือนตืมอดทนไว้ใช่ไหม นี่แหละก็เรียกว่ารู้เท่าทันจิตไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะนั้นอาการที่รู้เท่าทันเนี่ยเรียกว่าคุณมีสติบางคนบอกว่าฉันไปเที่ยวตามรู้นั่นตามมารู้นี่แล้วบอกว่าตัวเองมีสติมันยังเข้าใจไม่ถูกแล้ตามรู้นี่คุณคุณไหลออกไปแล้ว ร, ร, รู้ว่ากโกรธเอยรู้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ยังละไม่ได้อันนั้นไม่ถูกคนที่จะสามารถอดทนได้ ไม่แสดงความโกรธออกมาแม้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจน่าถึงจะเรียกว่ารู้ฐ่านจริงๆเพราะนั้นมันจะรายละเอียดตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันืครับคือท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วต้องบอกให้ทราบว่าการปฏิบัติของเราหรือว่าการฟังธรร ม, มะเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการของจิตเราไปด้วย นะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเข้าป่าอยู่โคนไม้อยู่ที่ลำบากลําบากไม่มีไฟอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องรู้จักการปฏิบัติในจิตของเราใช่ไหมให้เห็นสังเกตเห็นอาการต่างๆของจิตฟังอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจบ้างก็เก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนเมื่อไร่ที่มีสถานการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นข้อมูลพอที่เราจะใช้วิเคราะห์ในเรื่องจิตของเราได้อย่างเงี้ย น, นะครับอื เพราะนั้นคิดว่าในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างหาล่ะมรตบงจะสรุปให้ฟังการออรักษาจิตนะครับอืียกว่าการาราาักษาการมีสติรักษาจิตครับครับทีนี้ไม่ทราบจะมีเวลาเหลือพอพูดถึงเรื่องเนื้อนาบุญไหมครับท่านอ๋ อ, อ, อได้ได้ไดเ <หา S 2> นื้นอนาบุญอ่าก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคู่ที่จะแสวงบุญเนี่ยก็ต้องหาเนื้อนาบุญ คือคนจะทําบุญมันก็ต้องหวังบุญนะนะใช่ครับบุญก็คือความสุขความสุขของจิตการที่จิตมีสุขเพราะนั้นทํำยังไงถึงจะให้เราทํางานทําบุญแล้ได้บุญมากๆคืออันนี้อาตมาคิดว่ามองเป็นสิ่งเป็นเหตุเป็นผลว่าคุณทําบุญคุณก็ต้องหวังบุญนครับใช่ไหมถ้าคุณทําบุญแล้วคุณไม่หวังบุญให้ได้บุญมากๆก็ไม่ใคยเข้าทาเท่าไหรเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ได้บุญก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยความตระหนี่ต้องออกจากจิต ถ้าเราจะไปหวงหวงบุญเนี่ยูคุณจะไม่ได้มีทางได้บุญอันนี้เป็นฝั่งของผู้ผู้ให้นะครับคือให้ละความตรนีใช่ใ ช, ใช่ผู้ให้ต้องละความตระนีแล้วก็ถ้าเรายังมาจะหวงว่าอันนี้ฉันต้องได้บุญมากๆนะอ ย, งงนอย่างนั้นอะย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้มากนะต้องสร้างเห็นให้ถูกคือการละความตระนีละความตระนีในสิ่งสิ่งนั้นทีนี้ว่าผู้รับลักษณะผู้รั บ, รบก็ต้องเวลาที่บริเจ้าได้ พูดถึงผู้รับก็มีลักษณะที่เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้นาการมีศีลสมาธิปัญญาของบุคคลบุคคลนั้นก็วัดได้อีกระดับหนึ่งคือเรื่องของราคาโทสะโมหะว่าเป็นผู้ที่หมดแล้วหรือยังหรือว่ากําลังเพียปรปฏิบัติให้หมดอย่างนี้ก็จะเข้าขายทีนี้ว่าเหตุของการหมดราคาโทสะโมหะหรือว่ากําลังให้ทําให้ราคาโทสะโมหะหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ไตรสิกขา มาสี่ขาสามคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุใช่เพราะฉะั้นเราก็ดูไม่ยากบุคคลนี้มีศีลไหมบุคคลนี้มีสมาธิไหมบุคคลนี้มีปัญญาไหมดูไม่ยากดูไม่ยากนี่หมายความว่าก็ต้องก็ต้องค่อนข้างสังเกตเหมือนกันอต้องเป็นผู้มีปัญญาเหมือนกันนะครัเพราะว่าจะต้องมีปัญญาแล้วก็ดูกิริยาท่าทางหรือว่ามีเขาเรียกมีมีเหตุการณ์ที่จะ อสอบวัดใช่ไหมครับใชถ่ถ้าดูแป๊บๆๆอาจจะแบบว่าพลาดได้ครับคือเรื่องนี้มันมันแยบข่ายนางทีพระบางองค์ก้าวย่างก็เหมือนห่มผ้าสีก็เหมือนผู้จาก็เหมือนแต่เป็นคนทุศีลมีดาบมกอยู่ในจีวรอย่างเงี้ยนะครับก็มีใช่ไชดูเผินๆ เ, เ, เ, เหมือนเตะเลยผู้จาแสดงทำอะไรก็เนียบแต่จริงอาจจะไม่ดีก็มีใช่หม พระบางองค์ท่าทางก้องก้องแกงแกงเอืกอกเอื้ออันี้โอ้โแต่เป็นพาาระหลานก็มี<ช>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยการที่ค่อนข้างจ ะ, ะละเอียดนิดนึ ง, งไม่ใช่ญญดูผิยเผินอ่นนนาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ดูผิวเผินไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจริงๆบอกว่าเหมือนกับว่าไม่พระพุทธองค์ไม่ไม่ต้องการให้ เราเนี่ยซึ่งเป็นข่ว่าเน่ยไปไปวัดสอบครูบาอาจารย์ว่าอุ๊ยครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านนั้นท่านนี้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่สมควรใช่ไหมครับเอ่อก็ไม่สมควรที่จะไปวัดสอบใครในะครอ่ะนะดีนี้ว่าเออเรื่องนี้ก็คงจะเป็นลักษณะว่าเราเก็บไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณต้องการสแสวงหาเนื้อนาบุญเนี่ยคุณก็ดูให้ถูกดีว่าเนื้อนาบุญใครที่ควรเป็นผู้รับทักสีนาฐานใช่ไหม ผู้ทีควรรับทักษิญญาทานก็จะเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญามันคนละเรื่องกับการวัดสอบน ะ, นะที่ผู้เช่าตรัส ถ, ถึงนี่คือเรื่องของมรรคผล อ, อเรื่องของมรรคผลแต่เรื่องของเนื้อนาบุญเนี่ยพูดถึงเรื่องเหตุในเหตุก็เรื่องศีลสมาธิปัญญาเองอย่างเนื้อนาะมีมีพระสูตรอันหนึ่งที่แบ่งนาเป็นสีประเภทพระจันทร์อ๋ออันนั้นคือลักษณะการที่จะสอนแล้วเสามารถไปได้ไหม ใช่ครับนาที่สามมัประเภทไหมนาที่มีนาเลวนาดีนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนาปานกลางอ่าใช่แล้วก็นาชั้นยอดมีสามอย่างนาเลวนี่ก็นาไม่มีมีแต่หินมีแต่ดินก้อนใหญ่ๆไม่ร่วนอย่างเงี้ยนาปานกลางแล้วก็นาชั้นดีสามอย่างคครครับับบ <c oughs> ก็ก็จะเปรียบเหมือนกับการที่เราทําบุญกับพาะที่ มีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีเสมือนอยู่ในนานที่ดีใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของการให้ทานเฉยๆนะะการรับทักษิณาทานอันนี้การสร้างบุญมันมีได้หลายอย่างต้องสิบอย่างครับทานนี้เป็นแค่หนึ่งในสิบอย่างนั้นตรงนั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้แสวงบุญใช่ไหมคุณต้องการสร้างบุญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ทานก็ต้องสร้างเป็นระเบียบระบบที่พระเจ้าบอกด้วยศีลคุณก็ต้องมีนะ สมาธิภาวนาคุณก็ต้องทำทาน ค, คุณก็ต้องให้อย่างเงี้ยก็ทำให้ครบทุกระบบมันก็จะเป็นการดีมันต้องมันต้องไปด้วยกันนะ่ะใช่ครับอย่างมีมีในที่ที่เราเห็นว่าอย่างชาวตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเขามาเจอพุทธศาสนาหรือเจอพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นเรื่องการให้ทานนะครับแต่ว่าเขาจะมาฝึกเลยเหมือนว่ามา ปฏิบัติเลยอ น, นาปาณสติอย่างเงี้ยเหมือนกับข้ามขั้นไปอย่างนี้ไหมครับบ อ, อกว่าเรื่องของทานนี่ก็คงจะต้องดูแล้วว่าบุคคล น, นั้นมีไหมมีไหมเนี่ยก็หมายความว่าก็ดูจากทรัพย์ที่เขามีถ้าเขาเป็นคนให้ทานอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่มีโพคทรัพย์ะนะคนะให้ทานเนี่ยจะมีลักษณะที่มีโพคทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนรวยมีทรัพย์เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เป็นผู้ที่ให้ทานเหมือนกัน ทีนี้เรื่องของรูปแบบแต่างๆจะไม่คุ้นเคยกันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ค, คือการที่จะมานั่งสมาธิได้หรือไม่ข้ามขั้นหรือไม่เราก็ดูที่อินทรีย์ว่าอินทรีย์คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยรับนแหละในวันนี้คิดว่าเราได้พูดถึงเรื่องที่สำคัญคือสติรักษาจิตใช่ไหม เราได้พูดถึงประเด็นที่ว่ า, าจะการสำรวมอินทรีย์การอดทนการที่ไม่โต้อตอบในสิ่งต่างๆสติกับความอดทนเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ตามรู้กับรู้เท่าทันก็ไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> สติไปอยู่ส่วนไหนความอดทนทำให้เข้าสมาธิง่ายด้วยเนื่องพวกนี้ในตอนที่30นี้ แล้วาแถมท้ายด้วยเรื่องของเนื้อนาบุญครับใช่ใชครับตอนต่อไปก็จะนําเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่เริ่มละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นละจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องละเอียดลึกซึ้งเนี่ยก็จะมีหลายแง่มุมที่อา r a คิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายควรจะทราบอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องที่เราได้เคยพูดพูดมาก่อนเกี่ยวกับสัมมาเขาเรียกว่าอะไรเรีย ม, มากมยองแปด ค, ค, คือเรื่องพวกนี้หมอรัตพงศ์คือทุกครั้งทุกหลักสูตรการหลีกเล่นเนี่ยนะ ที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยจิตของเรามันก็ได้ฝึกได้ทำได้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นก็เลย ค, คิดว่าจะเอาเรื่องพวกนี้มาแชร์ให้ทรารบจะเป็นการ<อ>ดี ด, ด้วยแล้วก็ค่อยติดตามฟังในตอนต่อๆไปสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็ส่งมาได้ที่เพียวธรรมะ c o m นะครับสำหรับสัปดาห์นี้คำถามไม่มีครับเลย จะมีหรือไม่มีก็ว่ากันอีกทีนะครับจ้าก็าสมควรแก่เวลาเพียเท่านี้นะครับจ้าจ้าจ้าท่นผูคุณผ่าจางไก่บูลริบุนโหน ค, ครับอ้าทาี้และเดี๋บสวัสดีครับ